ทางหวงพาุาทั้งหลายแลนนีพนันธรรมชาตินะซึ่งเป็นดันที่ปกาวริขิทั้งหลายมาระคุมกันอยู่ทุกระยะแลปัันนี้มีราการเพิ่ม อ, อีกคือคุณพ่ระัเพิ่มโดยทางวติทุกๆคนใน้ือที่ดินข้างๆวัดถวายเพิ่มเติมหน้าที่ทังวัดทั้งพระองค์อีกประมาณไร่กว่า ถ้าว่าดินที่ว่างในทางข้างวัดเรามีมากถ้าหากว่าพวกเราท่างหลายพยายามซื้อเพิ่มเติมเข้ในสวนนี้ให้มากเพื่อจะปลูกต้นไม้เป็นป่าไม้ก็จะดีมากก็ยังเหลืออยู่บ้างฉะนั้นต่อไปนี้ก็พยายามสืบส่งวนได้ใครมีศรัทธาก็อรวมกันซื้อติดต่อวัดเราเพื่อจะปลูกต้นไม้ให้เตี่ยรุ่งเย็นต่อไป ทันนี้เป็นวันธรม ร, ออรมสระนภาอบรมซึ่งพุธธทธวิปัสสต์ทั้งหลายทุกขยะมาฉะนั้นขอจงฟังตั้งใจฟังในเวลาที่เราจะต้องฟังให้สําเร็จประโยชน์ในการฟังของเราการฟังมีประโยชน์มากซึ่งประโยชน์ในการฟังนั้นนั้นมีประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าการฟังเพื่อจะให้รู้จัก เมื่อรู้จักแล้วก็จะเริ่ปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วก็จะมีความเย็นเย็นเป็นสุขถึงความสงบดังนั้นพระพุทธองค์ท่านยังตรัสว่าผู้ฟังโดยดีย่อมเกิดปัญญาปัญญาที่จะเกิดขึ้นนี้ยากมนุษย์ที่จะทำปัญญาให้เกิดยากแต่ว่าปัญญาสามน่้นง่ายที่สุด โดยมากคนเรามีปัญญามากก็คือปัญญาสามปัญญาทีนั้นน้อยปัญญาสามนี่มันมากเพราะว่าปกติจิตของมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ประกอบด้วยจิตดีอยู่แล้วเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นมามันก็เกิดปัญญาปัญญาสามปัญญาที่จะเอาเบียดเบียนตนเองไม่วเบียดเรียนคนอื่นนั่นมันมาก ปัญญาที่จะมีเมตตากรุณามุทิตานั้นมันน้อยเป็นปกติเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เพราะขาดจากการฟังเมื่อขาดจากการฟังก็ไม่ได้ยินเมื่อไม่ได้ยินก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ไม่เข้าใจดังนั้นการฟังธรรมตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ขั่งพุทธการมาถึงบัดนี้ในขั้งพุทธการนั้นผู้ฟังธรรมะ ได้บรรลุมรสนิพานนั้นก็เพราะการฟังเมื่อฟังแล้วได้ปฏิบัติการปฏิบัตินี้ให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเกิดจากการปฏิบัติคือเหตุเป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างพวเหมือนกันการทำมาหากินบุคคลที่จะขยันมั่นเทียนเท่านั้นจะประกอบคนสุขจะประกอบได้ผลที่ดีก็เพราะคนปฏิบัติและคนขยันหมันเทียนในทางที่ถูกต้อง นอกนั้นคนไม่เข้าใจไม่ไปปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกเป็นต้นคนนั้นก็ไม่ได้ผลตามส่วนที่ดีดังนั้นการฟังนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าต้องพยายามการฟังมันจะรู้เมื่อรู้ไปจะเริปฏิบัติให้ถูกต้องการถูกต้องนั่นแหละมันเป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นหลักของพุทธศาสนาคืออะไรที่ถูกต้องทั้งหมด การไปที่ถูกต้องการมาที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องการรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องทั้งหลายเรื่านี้แหละคือความที่ถูกต้องทั้งหมดนั่นแหละคือหัวใจพุทธศาสนาการต่อพฤติปฏิบัติมาจะเป็นสมณะจะเป็นญาติโยมในบ้านปรตามมันก็ อ, อยู่ในลักษณะอัเดียวกันอะไรที่ถูกต้องนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดมนุษย์เราทันไรเกิดขึ้นมาก็พยายามหาสิ่งที่มันถูกต้อง ผลที่มันเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่ถูกต้องนั่นแหละคือเป็นผลอันสะอาดอืมอ่าเป็นผลที่สุขขาวสะอาดสงบระงับคือสิ่งที่ถูกต้องเราจะมาสังเกตเห็นตัวอย่างว่าเมื่ อ, อไรเราทำอะไรขึ้นมาหรือคิดอะไรขึ้นมานะถ้ามันถูกต้องแล้วมันจะสบายเดยส่วนทำก่อนจะทำก็สบายกำลังทำอยู่ก็สบายทำเสร็จแล้วก็สบาย ืเพราะมันที่ถูกต้องการงานอันใดที่มนุษย์เราทาั้งหลายทําแล้วภายหลังเดือดร้อนสงสัยกรรมนั้นไม่ดีกรรมนั้นไม่ถูกต้องกรรมใดที่มนุษย์ทั้งหลายทําไปแล้วด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเมื่อทําไปแล้วภายหลังตรวจตัวผลการงานที่เราทำนั้นจะมีความสบายมีความสงบไม่เดือดร้อนพระพุทธองค์ท่านตรัสว่ากรรมนั้นดีแล้ว อันนี้เราจะสังเกตในจิตใจของเราทั้งนั้นมี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงจะหตรวจ ด, ดูตัวของเราเพาความเช็ดจริงทั้งหลายนั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่จิตใจของเจ้าของสีรู้เรื่องทั้งเราทุกทุกคนนั้นพระพุทธเจ้าให้สนใจให้สนใจตามดูเรื่องของเจ้าของทั้งตัตดไม่ว่าทิ่สุดทั้งหลาย ทิดจุดทางหลายผู้ใดตามดูจิตของตนผู้นั้นจะโต้จะหวงของมันอย่านี้เป็นต้นเรียกว่าตามดูจิตของเจ้าของนั้นตามราจิตของเจ้าของนั้นตามดูจิตของเจ้าของนั้นจะรู้จากความคิดเพ่งของจิตเจ้าของจิตที่ประกอประเดคะจิตที่ประพอบระเดโชสจิตที่ประกอบระเดโมหานั้นมันมีประเฉดทั้งหลายแฉงอยู่ที่จิตเมื่อเราตามดูจิตของเจ้าของจะเห็นความเศร้าหมอง เห็นความผิดชอบเห็นจิตของเจ้าของถ้าตัวใดตามองจิตของเจ้าของจะรู้จักความผิดความถูกความดีความชั่วเกิดที่จิตด้วยความสังวรด้วยความระมัดระวังอยู่ที่จิตของเจ้าของเมื่อเห็นจิตของเจ้าของเมื่อเห็นอะไรอยู่ในจิตของเจ้าของแล้วจะเป็นราคะหรือโทสะหรือโมหะแล้วก็พยายามเลือกได้พยายามถอนแล้วพยายามละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นออกจากจิตของเรา ข้อหลักของพุทธศาสนาท่านตรัสเลยว่าสัพพะปัจจะอัตตะนังกุศลสูปะสัมปทาสจิตะปริโยชาปนังนนการกระทําผิดใดๆทั้งกายทัางวาจาทางใจของเรานั้นแหละเป็นหัวใจพุทธศาสนาะเอตังพุทธศาสนังอันนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายกุรลสูปะสัมปทาเมทาทื่อหากว่าเราตัวตดูจิตใจของเราแล้ว เราได้เลือกเพ้นสิ่งที่เศร้ามองไม่ฟังใชยออกจากจิตใจของเราแล้วจิตใจของเราก็จะฟังใช่เป็นบุญหรือก็เป็นกุศลเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่นิ่งเป็นกุศลสูตรประสานัทธาจิตเป็นกุศลอยู่ในจิตของเจ้าของนั้นสซาจิตตะประโยทะปันังจิตใจของเราพร้อมจากความจิตแล้วจิตใจของเราก็สงบแล้ว จิตใจของเราก็เริ่มแสงสว่างเกิดปัญญาความรอบรู้สิ่งต่างๆในรอบจิตต้อง้นในหน้าที่การงานของเจ้าของแม้กระบถึงดูภายในถึงการภาวนาเรียกว่ากรรมาฐานเช่นพระพุทธองค์สันติจัดในว่ากรรมาฐานทั้งห้าเจสาโะมาคขาชนตาตะโจอันนี้เป็นกรรมาฐานเป็นหน้าที่การงานของมนุษย์ทุกๆคนเจริญทนิดปีจันนา จะเห็นความแก่งแย้งในที่นี้เองเช่นความเกิดแตนพิจานาความเกิดหรือความแก่หรือความเจ็บหรือความตายเช่นนี้เป็นต้นโดยธรรมดาจะได้มนุษย์เราทั้งหลายไม่พจะพิจนาความเกิดหแือความแก่ได้ความเจ็บความตายอันนี้เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มืดบอดปกปิดจิตของที่สองอยู่ไม่สว่างคือความจริงมีอยู่ในตัวของเรานี้ทำไมยกขึ้นมาพิจารณา เป่นความเกิดนี้ความแก่นี้ความเก็บนี้ความตายนี้มีอยู่ในใจในกายของเราแล้วแต่เราก็ยังไม่เห็นแต่เราก็ยังไม่รู้พระพุทธ อ, องค์ตรัเหมือนปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำเหมือนเศดินมันอยู่ในดินมันก็ไม่เห็นดินเป็นต้น ม, มนุษย์ทั้งหลายที่หมกมุ่นอยู่ในความเศร้าหมองบาปบาปธรรม ต, ต่างๆ ก็ไม่เห็นจริงนั่นว่ามันเป็นบาปไม่เห็นจริงนั่นว่ามันเป็นกรรมเป็นต้นเพราะมันจะยกขึ้นมาตามแท้จริงชนความเกิดควางแก่ควา ม, วามเจ็บความตายของเราทางนายเหล่านี้แหละมันเป็นเรื่องของธรรมดาเหลือต้นใครใครก็ผ่านใครใครก็พบแต่ไม่เห็นแต่ไม่รู้แต่รู้ก็ไม่ถึงอืมเป็นต้นฉะนั้นเห็นคนแก่หรือคนเจ็บคนตาย ใจของมนุษย์ทั้งหลายจะมีความสศกเศร้าปฏิเทวนาดำชันเป็นต้นเป็นทุกข์เป็นยากเป็นลาบากอันนี้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่เห็นความเป็นจริงความเป็นจริงอันนี้มันเป็นจริงมาแล้วเป็นสัจธรรมจิตเราไม่มองเห็นอันนี้ไม่เห็นสัจธรรมในตัวของเราถ้าเจ็บมาแล้วก็คิดไปอย่างนึ่งถ้าตายแล้วก็คิดไปอย่างนึ่ง นี่ตอนในคิดเรื่องสิ่งทางไหนเราเนี่จะตามมาถึงเราเมื่อไร่ไม่คิดเห็นเพราะว่ามันเมาเมาอยู่ในรูปเมาอยู่ในเสียงเมาอยู่ในกลิ่นเมาอยู่ในรสเมาอยู่ในปัจจบั ธ, ธรรมรมณไอความเมานั่นแหละเดียกว่ามันทา ม, มืดเมื่อมืดมันก็ไม่สว่างเมื่อไม่สว่างก็ไม่มองเห็นทางที่ถูกหรือผิดกันนั้นอันนี้เดียวกัคนเมาชนองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตอนนี้ ย, ยัย เ, เมา อย่าให้เมาถ้ามียศอย่าให้เมายศถ้ามีราบก็อย่าให้เมาลาบมีชีวิตก็อย่าเมาชีวิตของเจ้าของมีอะไรทุกอย่างอย่าให้เมาอย่าให้มันมึนเมามีความดีก็อย่าให้เมาดีมีความชั่วก็อย่าให้มันเมาชั่วเสียไปก็อย่าให้มันเมาได้มาก็อย่าให้มันเมามันมึนถ้ามันเมามันมืดมันบอดมันหลงอีมมิฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาตันความมืดบอด ในจิตผมจะฟ้องนี่เองถ้าเราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตามเป็นจริงแล้วเราก็เห็นสัจธรรมสัจธรรมคืออะไรสัจธรรมคือเรื่องที่มันคิดถูกต้องเรื่องมันเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีใครจะไปแก้ไขมันได้มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเออน่ะเราจะร้องไห้มันก็เป็นมันอยู่อย่างนั้นล่ะเอเราจะหัวเราะมันก็อยู่อย่างนั้น เราจะคิดอะไรอย่างไรก็ตามแต่สภาวะนนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนกันกับพระอาทิตย์อมันจะขึ้นมามนุษย์ทั้งหนาย่พอใจว่าตมวันนี้มันสายเร็วนะักต่ตามใจพระอาทิตย์ก็เดินไปตามเรื่องของส า, าิตย์อืมนะพระอาทิตย์นี่มันสายนะต่อตามใจพระอาทิตย์ก็ไม่ฟังเสียงของใ็ไปตามเรื่องอย่างนั้นมนุษย์ทั้งหนจะให้โทษเท่าไหร่ ไม่ถูกพระอาทิตย์มาถูกเจ้าของจะให้คุณสักเท่าไรก็ไม่ถูกพระอาทิตย์มาถูกเจ้าของเพราะเรื่องพระอาทิตย์นั่นเป็นเรื่องสัจตธรรมเขาจ ะ, ะเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นอันนี้ให้มนุษย์พุทธบริษัทเราทาั้งหลายเห็นการเป็นจริงเมื่อเห็นการเป็นจริงแล้วจะเป็นมนุษย์พุทธบริษัทโดยสมบูรณ์จะไม่เครือบแปลงสงสัยในอารมณ์ทั้งหลายสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วหลับไปเป็นต้น หรือพบความสุขขึ้นมาก็ไม่ได้เมาในความสุขเกิดความดีใจก็ไม่ได้เมาในความดีใจเมื่อทุกข์กขเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เมาในความทุกข์เมื่อทุกข์เสียไปเป็นต้นก็ไม่เมาในการเสียไปของทุกข์นี่เรียกว่าผู้เห็นธรรมะเห็นแล้วว่าสิ่งต่างหลายมันเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้พระบรมศาสดาของเราท่านเห็น สภาวะธรรมนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดับไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาตรตลอดเวลาถ้าเราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตามตอนเป็นจริงแล้วก็ไม่ดีใจและไม่เสียใจจิตใจขงางในทั้งหลายก็สูงเนื้ออารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้อืมอ่าเนื้ออารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ที่มันเป็นไปตามสภาวะอันนี้ฉะนั้นพอพระรมศาจารยงหองเราจะใหที่จะได้เห็นสังขาร ให้รู้ตามความเป็นจริงของสังขารสังขารมันเป็นจริงอย่างไรก็ให้รู้ตามจริงของมันอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นลูกเราทุกตัวคนนี่นั่งอยู่เนี่ยจะเรียกว่านายกอนายขอนายคอนายงอจะเรียกว่ามันสุขหรือมันทุกข์หรือมันได้มันเสียมันร้อนมันเย็นอะไรก็ช่างมันเถอะก็เห็นว่าอันนี้เราอันนี้ความเราก็เห็นเป็นเจะเทียงว่าสมมติสมมุติเมื่อรู้จักสมมุติแล้วตัวเรียกว่าอันนี้ของเรา ก็ไม่เสียหายอันนั้นของเขาก็ไม่เสียหายเป็นต้นอันนี้มันดีก็ไม่เสียหายอันนี้มันชั่วก็ไม่เสียหายอันนี้มันคงทนอันนี้ไม่คงทนก็ไม่เสียหายอะไรก็พ อ, พอรรู้ส ม, มุิมันแล้วเช่นในร่างกายนี้เกิดมาการต่อสู้เมื่อยงังมีชีวิตอยู่ผล ท, ที่สุดเป็นต้นมันก็ตายอย่างนี้ถ้าเห็นว่ามันตายอย่างนี้เราจะทายังไง เราเห็นธรรมะโดยวิธีอย่างไรแล้จะเชอว่าช่อย่าทําอะไรมันช่วยเดี๋ยมันจะตายอยู่ข้าวก็อย่าไปกินมันเลยมันเป็นโรคเป็นไข้ถอยายารักษามันเลยมันจะตายอยู่แล้วอย่างนี้มันก็เป็นคนโง่ไปอืมเช่นแค่ช่วยใบนี้มันเป็นของแตกนะเป็นของแสีตามธรรมดาเราจะบอกคนไม่ได้ว่ามันไม่ได้เหมือนกันมันจะต้องเป็นของแตกเมื่อมันเป็นของแสียทีนี้เราจะเอาอยัางไงดีเก็บไปบ้านจะทาไงดี เรต้องล้างให้มันสะอาดเราต้อเก็บในที่ดีๆถึงแม่ลูกหลานของเราจะใช่จริงทั้งหลายล่านี้เราก็กาชับมันว่าลูกจานนี่ล้างให้สะอาดนะถ้วยนี่ล้างให้สะอาดนะล้างให้เก็บมาให้ดีอย่าให้แตกให้แตกมันจะถูกในเลียวนะั้นต้องผูมันไว้ทั้งๆที่เราเห็นว่าถ้วยนี้เอาไว้ที่ไหนมันก็ต้องแตกจานนี้เอาไว้ที่ไหนก็ต้องแตกเรื่องหน้ามันต้องแตกเราต้องเอามาพูดอย่างนี้สอนเด็กอย่างนี้ ตามสมุติอย่างนี้เพื่อเราจะใช้ถ่วยนี่นานๆจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเรามีชีวิตอยู่อันนี้เรารู้จักธรรมะเอาธรรมะมาปฏิบัติถ้าเห็นว่าอันนี้มันจะแตกอยู่แล้วเราบอกช่งมันทะลุกินแ้วก็ไม่ต้องล้างมันจะตกไปช่งมันจะมาใส่ของเราแล้วเอาทิ้งไหที่ไหนก็ได้มันจะแตกอยู่แล้วมันจะแตกไปได้กพราะช่งมันเจอต่อยมันนะอย่างนี้ก็เป็นคนงู้บไป ตรงจนไปอย่างนั้นไม่บาดไม่ไหวนะของที่จะใช้ใเมื่อเรามีชีวิตอยู่นี้มันก็ลาบากยากกันนั้นอันนี้คือเราเห็นตรงจริงแล้วก็มาใช้สมมุติอันนี้ถ้วยอันนี้จานอันนี้ล้างแล้วทําแล้วให้สะอาดอยู่เสมอเปรียบตอนนี้ว่าเราเห็นอันนี้จังของไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่เจตัวตรงในสตนตายของเราตอนนี้ตอนดินตอนน้ำํำตอนไฟตอนลงที่มันรวมรวมกันอยู่นี้ เรียกมนุษย์ก็ไม่ใช่จะเรียกบุกคนก็ไม่ใช่ะเรียดตัวตนก็ไม่ใช่อะไรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสภาวธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอย่างนี้ถ้าเราเป็นผู้รู้สมมุรณอันนี้ก็เห็นว่าเมื่อมันเจ็บไข้ก็หาหยุดยาให้มันกินเมื่อมันร้อนก็อาบน้ำให้มันอืมเมื่อมันยนตเย็นก็หากลบริบูรณ์ให้มันเมื่อมันหิวก็หาข้าวให้มันกินอะไรทั้งหลายแบบนี้แต่เราให้รู้ว่าให้ข้าวมันกินมันก็จะตายอยู่ แต่ในเวลานี้ยังไม่ถึงคราวจะตายแต่จะต้องรักษามันอยู่เหมือนถ้วยแบบนี้ยังไม่แตกก็รักษาถ้วยแบบนี้ให้มันเกิดประโยชน์ซะก่อนก็พุก ท, ที่เจ้าสุนในธรรมะอันนี้ท่านจึงรักษารักษาตายนี้ให้ดีอย่าให้มันมีโรคด้วยให้โรคมีมันน้อยให้มันมีความสบายช่วยเดินเมตตาภาวนาต่อไปอย่าเบียดเบียนตัวของตัวเลยเดินต้นเช่นว่าเราป่วยก็เข้าไปโรงพยาบาล แต่เราให้เราเข้าใจในโรงพยาบาลท่านต่อช่วยตายวันนี้ได้หรือการแต่หมอไม่ต้งช่วยจะขอไม่ได้ทําไมถ้าความจริงเราจะเป็นอย่างนั้นจะช่วยเลยครึ่งหนึ่งตังงเมื่อเวลายังไม่มียังมีชีวิตอยู่แต่ว่ายังไม่ตายนี่ฉันนั่นเหมือนกันผู้ประพฤติธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะต้องต้องเห็นอย่างนั้นเห็นกายนี้เห็นใจนี้เป็นเรื่องอนิจจังเป็นเรื่องทุกขังเป็นเรื่องอนาาัจารักษามันไป เมื่อเถึงข่าวที่มันเป็นไปแล้วเรก็เห็นว่าเอาเราก็ยอมให้มันไปเมื่อถึงสิ่สุดแรกใจต้องสบายถ้าเราเห็นธรรมะอย่างจริงจังอย่างนี้นะเราก็ไม่เกิดความยึดมั่นหรือไม่เกิดความถือมั่นในสิ่งทางหลายเหล่านี้ตามเป็นจริงเพราะว่าความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้ผู้รู้ธรรมะผู้เห็นธรรมะศึกษาธรรมะแรียกปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะว่ามันเป็นอย่างนี้เมื่อเห็นธรรมะว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ให้เป็นธรรมะนะ เมื่อให้เป็นธรรมะวางอให้เราวางชื่อให้เราปล่อยชื่อให้เราวางก <c oughs> ารปล่อยวางอันนี้คือความรู้ตามเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่าให้มันกระทบกระเทือนอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นต้นของมรรคต้นของมรรคคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเ <c oughs> มื่อตัวเห็นมันชอบอย่างเดียวทุกอย่างมันจะชอบไปด้วยกันเช่นนั้น เค่นั้นธรรมะนี่ม่ใช่อื่นไกลธรรมะอยู่ที่ตัวของเจ้าของอยู่ที่ใจของเจ้าของนั่เองเราจะไปมองดูที่อื่นนั้นมาเห็นธรรมะเช่นว่าเรามีความสุขเป็นต้นมันเกิดจากอะไรมันสุขนมันทุกขมันเกิดที่ไหนไม่ใช่ว่ามันจะเกิดอยู่ต้นไม้มันจะเกิดอยู่แผ่นดินมันจะเกิดอยู่อากาศมันจะมีความสุขเกิดขึ้นมาแต่เพราะเราไปพบสิ่งที่ชอบใจเราในใจของเรามันก็ปรุงแจงให้มีความสุ ข, ขขึ้นเท่านั้นเนี่ คือความสุขประโยชน์ที่นี้ถราีความทุกข์ขึ้นเกิดขึ้นมาไม่แช่มามันเกิด อ, อยู่อากาศเกิด อ, อยู่แผ่นดินเกิด อ, อยู่ต้นไม้เกิด อ, อยู่ภูเขามันเกิดที่จิตใจของเรานี่เองเราประสบสิ่งที่ชอบใจความสุขเกิดขึ้นมาเอเราไปประสบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาเมื่อรวมสิ่งทั้งสองอย่างสุขทุกข์ทั้งหลายเป็นต้นเกิดขึ้นมาจากจิตของเรามีความเห็นชอบและมีความเห็นผิดที่นี้ ม, มีมีสองแนวทน่านี้มิจฉาทิฏฐิกับามม ата ทิฏฐิเท่านี้ตามกันไปอยู่อย่างนั้นฉะนั้นเมื่อรวมยอดแล้วนในโลกเนี่ยสภาวะในโลกทุกส่วนไม่มีอะไรจะเบียดเบียนมนุษย์ไม่มีอะไรจะทําให้มนุษย์เป็นทุกข์ไม่มนีนอกจากจิตมนุษย์ให้มนุษย์เป็นทุกข์แล้วไม่มีจริงอืนจะทำให้เราเป็นทุกข์ไอความร้อนมันก็เป็นธรมรมดาของมันไอความเย็นมันก็เป็นธรมรมดาของมัน ในความปกตินั้นจะคือความรู้เท่าความร้อนและความเย็นอันนี้มันอยู่ในโลกเมื่อความเห็นใจเป็นจริงเช่นนี้ต้องปกติของจิตต้เกิดขึ้นมาถึงแม้มันจะร้อนอยู่มันก็ปกติมันจะเย็นอยู่มันก็ปกติมันจะสุขอยู่ด้วยอาการหรือทุกอยู่โดยอาการมันก็ยังเป็นปกติเพราะว่าเห็นว่าสุขมันเป็นอย่างนั้นเห็นว่าทุกข์มันเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันจะลาบไปอยู่อย่างนี้ถ้าเราเห็นเช่นนี้แล้วก็สบายเรามีความเห็นถูกต้อง นีโยมคนหนึ่งอยู่ที่วัดทีมาวัดอยู่วัดอินเนี่ยอาจารมาจําไม่ได้อาจารมาเคยเทศในฟางทีหนึ่งใช่ไหมโยมฟังธรรมน่ะไม่ต้องยึดอะไรมันมากมายหรอกให้โยมทําใจให้มันพอดีเสียี่พอดีอย่างไรพอดีทุกอย่างเละมันจะโชุกับพอดีมันจะสุขกับพอดีมันจะชอบใจกัพอดี มันจะไม่ชอบใจใครมันพอดีมันเลยพอดีอยู่อย่างนั้นแกใครมานั่งฟังอยู่สางๆแกก็จับเหมือนพอดีนมันดีจริงเลยให้มันพอนดีดอทางเงื่้นแกก็จับแบบ น, นี้นั่นนะหลายเดือนมาวัดยอมไม่เห็นมาวัดนานแล้วไปยู่ไงผมฟังคำของน้องพ่อผมเข้าใจแล้วผมนานๆที่ไหนมาทีฟังคำก่อนใจยังไงน้องพ่อบอกผมมาให้ทางความพอดีทีนี้ผมก็ยึดหลักอันนี้ว่ามันพอดี ไอู้กเมียมันเจบว่าให้ผมบอกพอดีอืมนะมันจะมีสุขเปิดเกล้าผมก็บอกว่าปิดสอนเนี่มันพอดีมันจะทุกข์เปิดเกล้าผมก็ว่างันพอดีมันจะร้อนผมก็บอกว่ามันพอดีมันจะเย็นแต่ผมก็เห็นไหวมันพอดีโดยสบายดีผมเลยเป็นคนพอดีอยู่ตลอดทุกวันนี้แค่นั้นผมจึงนานๆยินดีเข้ามาฟังธรรมเพราะผมได้รักฐาอย่างนี้ไปปฏิบัติแล้วสบายนี่อะไรก็ช่างมันเถอะ Uhm, นะะ Eugene, er ี่มันจะมีความกระโชกระช่งหรือมีความสงบยังไงสมไม่มันพอดีทั้งนั้นนี่ยนี่คือคนที่ฟังธรรมง่ายพอดีอร่อยก็ไม่พอดีอร่อยก็พอดีไม่อร่อยก็พอดีร้อนมันก็พอดีเย็นก็พอดีเออนั่นคิดผิดแล้วก็พอดีคิดถูกก็พอดีมันพอดีทั้งนึงนี่เรียกว่าสภาว่าธรรมเห็นความพอดีนั่งอยู่ก็พอดีเดินไปก็พอดี ควาคิดแค่นี้เดี๋ยวไอ้ความคิดพอดีมันสมบูรณ์กันไม่มีทางไปแล้วมันคิดพอดีคิดพอดีคือรวมเป็นอันหนึ่งว่ามันเป็นสัจธรรมมันเป็นอย่อยางนี้แยกะก็ยึดหลักอันนี้ว่าโดยผมนเ้เป็นคนสบายอืคนที่วารินในีเมืองอุบลเนี่ยจำชื่อแยกไม่ได้แล้วตอนนี้เด็กคนนึงวันฟังเยอะครั้งหนงแกบอกว่าวันนังเงี้ยทั้งพ่อโยงแกคนนั้นว่านอ ย, ย, ยู่ที่ไหนชื่อเขาอยู่ชื่อเขาวายยังไงน้องพ่อไม่รู้จักจำไม่ได้ทำไมอะ ผมชอบใจธรรมะของของแกได้เกินผมนั่งฟังอยู่ผมก็คอดีใจด้วยเดี๋ยวผมไปลองลองทำดูว่าอะไรอะไรในบ้านมันยุ่งผมก็ให้มันดีให้มันพอดีอะไรทามันพอดีหรือเกิดเกิดความพอดีวันนี้ผมจึงอยากจักชื่อบ้านของแกคนนั้นหน่อยจุดที่ไหนชื่ออะไรอย่างนี้ไม่ เ, เห็นนี่อันนี้จะพูดกันง่ายๆแค่นั้นยังไงการกทําดีการทาชั่วเราทำํำคนเองเราเราทําชั่วคนเองเราเราทําดีคนเองเราเอาืเรากลัวเอง นึกขึ้นมาตัวตรัวตัวตัวตัวจนแล้วก็วิ่งเนี่ยนี่ก่นนึกตัวเองนึกเห็นตัวแล้วก็วิ่งไปที่นี่ถ้าเราไม่ตัวสตนึกมีใจเช่นแข็งจึงในตัวแล้วก็ไม่วิ่งเนี่ยมันเจือที่นี่มันกรับล่ดงที่นี่มันสุกที่นี่มันก็ทุกอยู่ที่นี่มันผิดอยู่ที่นี่มันก็ถูกอยู่ที่นี่นี่ที่นี่ปัญหาอื่นไม่มีนอกตัวเราแต่แล้วมีปัญหาอยู่ในใจของเจ้าของกันนั้นกันนั้นสาธุเตจ้าต้องยังใหแก้ แก้ตัวเรานี่เองแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลาเหตุแก้ที่ต้นเหตุคือต้นตอวันนี้แหละที่ว่าทุกข์กระจัดนั่นทุกข์กระจัดแก้ที่เหตุในทุกมันเกิดอันนี้เป็นสัจจะทำเมื่อเราเห็นทุกข์เราเห็นอริยสัจมันเป็นทุกข์กระจัดทุกนี้มันก็ทุกจริงเมื่อเราเห็นมันเป็นทุกข์เหตุเกิดขึ้นที่ทุกนี้เป็นต้นแล้วแก้ทุกมันนี้ที่แก้ที่เหตุวันนี้แค่แก้ที่เหตุแล้วมันก็ไม่มีอะไร แล้วก็ยอมรับยอมรับถึงนั้นเรายอมรับโดยเรศบายนะได้สบายมันสบายยังไงถ้าหากว่าเราถ้าหากว่าเราปล่อยเราวางมันเนี่ยนะมันสบายยกตัวอย่างให้ฟังง่ายไม่ต้องยากนะเคยมีนายพนนอยพันนืมที่เข้ามาในวัดหงประโงเดีกประมาทลาบกลาบแม่ตัวชานก็ไปหมกกลาบเท้าหลวงพ่อตบศีรษะให้ผมมั่ง เนี่ยอาจจะมือเอิ่มมือไปทำศีรษะตกตกตกตกนายคนกว่าฉันนายพันกว่าฉไม่เป็นอะไรไม่อยากโกรธเลยทำไมนี่ยอมแล้วยอมแล้วมายึดีศีรษะนี้ศีรษะนี้ก็ไม่มีอะไรมันมีเพราะเราไปยึดมันทอนนั้นเนี่ยในเวลาทารละเราวางกราปล่อยมันเลยหมดพิษหมดภัยในที่นั้นเนี่ยไม่มีอะไรทั้งนั้นเต้นถูกมันปลายปลายถูกมันต้น ถ้าหาก็ออกจากอาพันธ์ไปสิให้ยอมไปพบยุติการทางนายพลนาฟันเดินเอามือไปตบศีรษะดูสิเกิดเรื่องกันเลยทีเดียวทําไมไม่ยอมให้ฉันไม่ยอมรับฉันไม่ยอมทิ้งฉันไม่ละฉันยังยึดอยู่มันก็เลยไปคิดถึงที่นั้นเมื่อจะปล่อยก็ปล่อยตรงนั้นเมื่อจะวุ่นวายก็วุ่นวายตรงนั้นเมื่อมัาสงบก็สงบตรงนั้นลอยตรงนั้นนี้เป็นโซ่นี้เลยทีเดียวจเห็นง่ายๆแล้จะเห็นง่ายๆ อะไรทุกอย่างถ้าเราเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราใช่เขาเรายอมปล่อยวางมันเสียหมดพิษเนี่ยหรือคนมันนอกกับมันกันเดินไปเนี่ยมันข้ามไปฮะจับหัวกันไปหรือผู้หญิงจับหัวผู้ชายผู้ชายจับหัวผู้หญิงไปเรื่อยก็จม่อะไรนี่มันก็มีคุณค่าครับถ้าถ้่าหัวอขวามันันาดนี้นี่จะทุกข์อะไรจะอะไรกี่ไรทั้งนั้นเนี่ยนี่เพราะว่าเราอะไรมันดอกเอาความเห็นเอาถอด ถอนไออุปชานออกจากที่ น, นั่นได้กล่าเหมือนลูกระเบิดเขาถอดลูกสดักออกแล้วมันไม่ระเบิดอ่าฉะนั้นอันนี้นก็เหมือนฉันนั้นถ้าเราถอนทิฏฐิถอนมนณะเห็นว่าเราดีเห็นว่าเราด้วยตัวเขาเราเส ม, อ เ, เสมอเขาเราเหลียวตัวเขายัางนี้เป็นโทษอยู่ในใจของเจ้าของเราชี้เบียดนั่นทําลายเสมอไปนี่ฉะนั้นอันจะมาเจ็บสาดป่าในโลกนี้ไม่มีอะไรจะมาทําโทษเรานอกจากเราทําโทษเราเอง ไม่มีอะไรนำความสุขมาให้เรามีไม่มีอะไรจะนำความทุกข์มาให้เรานอกจากจิตของเราเห็นจิตเห็นถูกเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าสังเกตใจว่อัตโนโจทยะตระนังจงเตือนตนด้วยตนเองตนอยู่ที่ไหนก็ตนที่นั่งอยู่ที่นี้แหละอย่างเดือนชนให้เห็นตนอคนเห็นตนว่าเป็นตนคนนั้นยังไม่เห็นตนคนเห็นตนว่ามีใไ่ตัวตนคนนั้นจรงเรือวคนเห็นตน คนเห็นต้นว่าเป็นตนเนี่ยกับพิรุปทานยึดมั่นถือมันคนที่เห็นตนจริงๆจ็คือเห็นตนว่านีิใช่ต้นนม่ใช่ตัวี่ใช่เรามิใช่เขานี่ใช่ของเรามิใช่ของเขาอย่างนี้ความเห็นเช่นนี้เดียกว่าถอนอัตฉริออกนี่เรียกว่าคนเห็นตนคนเห็นตนแล้วก็ละตนหนึ่งก็ได้ปฏิบัติตนหนึ่งก็ทุกเป็นอนัตตาเแล้วคนเห็นตนโดยที่ว่าเป็นตนเป็นตัวนี้เพิ่มทิฏฐิเพิ่มมานะเพิ่มกิเลสเพิ่มตัณหาเพิ่มความทุกข์เป็นมา มากที่สุดเลยทีเดียวอืฉะนั้นส่วนมนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายท่านจึงให้ปล่อยหรือวางไม่ใช่ให้ปล่อยอันนี้ไม่ใช่ให้วางอันนี้ปล่อยด้วยจิตใจบางาตัวหนึ่มาการปล่อยวางไม่ต้องทางานไม่ต้องทําอะไรทัานปล่อยวางไม่ใช่อย่างนั้นการปล่อยวางทางด้านจิตใจคือไม่ยึดมัน่นหรือไม่ถือมัน่นให้มีความเห็นโดยถูกต้องเป็นสัญมาติติเมื่อเห็นที่ถูกต้องตามนี้แล้วก็เดี๋ผู้เห็นทำ ผูเห็นธรรมเหนจัตวาว่าอันนี้ตามเป็นจริงไม่มีทางที่จะแก้ไขอี่มันที่สุขก็ถูกแล้วมันจะทุกข์ก็ถูกแล้วมันจะได้มาก็ถูกแล้วมันจะเสียไปก็ถูกแล้วมันจะไม่เจ็บไม่ไข้ก็ถูกแล้วมันจะเจ็บจะไข้ก็ถูกแล้วพอดีทุกอย่างเลยตัวเรื่องของมันเป็นอยู่อย่างนี้นี่จะนั่นเรื่องเมื่อเราเห็นเทนนี่ล้วตัดต้นต่อคือเหตุทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาเมื่อทุกข์ตัดต้นต่อทุกข์ทุกข์มีทางที่จะเกิดขึ้นมาแล้วเป็นส่วนความสงบก็เกิดขึ้นในที่นั้น อันนี้แสดงถึงว่าสัมมาทสติหรือเรียกว่าสัมมามเมื่อมัคคะสามาธีมันสามาธีรวมกันเสร็ น, นี้แล้วกิเลสทั้ทงหลายทั้งปวงนั้นเกากระจัดกระจายไประหับสะหายไปเป็นตชนไม่มีในจิ น, นไม่รู้วันไปที่ไหนถ้าใครยังความเห็นไม่เห็นสภาวะอันนี้มันก็ยังไปเกาะอยู่จิตตรงนั้นฉขนนั้นเพราะนั้นนี้กิเลส น, นี้ไปคลายๆตัตวมีตัวหรือมี ต, ตมนเข้มาเกิดจากความคิดของเรา เรากม่เอทิ้งขนาดนั่นหรักปฏิบัตินี้ปฏิบัติตามวิยาบทของเราเรายืนเดินเป็นปกติแต่เราเมื่อทำอันนี้อยู่เราก็รู้อยู่เราพูดนี่อยู่เราก็รู้อยู่อืจิตของเราคิดอย่างไรเราก็รู้มันอยู่รู้แล้วก็คิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังนาจาในอริยาบทอันนั้นในอารมณ์ันั้น ให้จิตมันรู้ให้จิดมันเห็นมันเห็นแไปยึดมัน่นถือมันม่นในอันนั้นแล้วก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆทำมันไปถึงข่าวกำหนดเราก็กำหนดถึงข่าวพักก่อนแล้วก็พักผ่อนธรรมดาเราเนะีย่ยเราจ ะ, ะนั่งกะทั่งวันก็ทั่งคืนอันนั้นเรามีอยู่ระเบียบเราแมงเราพยายามนั่งสมาธิเมื่อเราหยุดนั่งแล้วเราก็มีสติเดินเราก็มีสติตามไปเรื่อยๆ เ่อ ว, วันนี้เราทําอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วรู้จักของเรารู้จักความผิดชอบในเรื่องจิตใจของเราอยู่เสมอเนี่อืมรรมทานนี่มันก็ให้ธรมมทานถูกจิตเิตของมันก็สบายกัรมทานในถึงจิตของเจตของมันก็ไม่สบายอืมมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ ทำไมมันจึงมีทุกข์ทำไมมันก็มียากมันกมีลําบากทุกข์การกระทําของเราเพราะเราบังคับมันใกนกำหนดรู้อยการณ์ใจมันก็จะสบายไหมมันก็ไม่สบายอยีกอหะคิดยังไงก็ทําไปอย่างงั้นคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นอะไรอมันก็ไม่สบายเลยเนะี่ยจะสบา ย, ยาไหมันเอาโทษมาในส่เจ้าของเท่านั้นเลยถ้าจะให้สังวรยนสงรวงมในการพูดในการกระทํา ในการยืนการเดินการนั่งการนอนการกบการสันให้รู้ตัวอยู่บัดนี้เราทําอะไรอยู่บัดนี้เราอยู่ลักษณะอันใดเราอยู่ในลักษณะของความโลภหรือความโกรธหรืออความหลงหรือเนี่ยแล้วต้องกำหนดรู้เอ่ยกำหนดรู้จักว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วก่อนทำลายมันใช่ไ ทั้งอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจทางสุขทางทุกข์เราเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนสุขแต่มัสุขไปทุกข์แต่มันทุกข์ไปอยากไปย็ดนั่นถือมันมันเห้รู้ตามมันเพี้ยว่ามันเป็นข้อนี้อย่างนั้นแต่เรารู้จักกันว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็สุกมันก็ทนอยู่ทุกข์มันก็ทนอยู่ได้นมันก็ไม่ดูเสตัหลงตัวการทํากรรมฐานกาทําทําแบบนั้นแหละอืเราจะคิดยังไง มันจะคิดไปทำไม้มันรู้เร็วเห็นเร็วสงบตวเร็วๆๆไม่ได้อะอืะอะมอย่างนั้นก็ตๆๆ้องต้องค่อยๆทำไปอืมค่อยๆทำไป อ, อยให้มัมเร็วให้มันช้าอให้กนดอยู่ในที่ที่รู้นั่นแหละเป็นประมนันการทำเพียงเมื่ต้องฝูนใจเราตรงนั้นแหละฝืนใจเรา คุณความรู้สึกนึคิดของเราทุกอย่างที่กานทํำยุดหนอฟังหนอนอนั่นก็ถูกแล้วถูกนม่แต่ว่าเราคนไม่ไหวการคนไม่ไหวไอ้เป็นเรื่องที่เราทอดเทาะทอดถ อ, อยก็คือไม่รู้จักความเป็นจริงตามนั้นด้วยเว่าการกระทําแบบนั้นมันดีเกินไปแล้วทำไมทาอย่างนี้กันได้ทานาตานั่นก็เนี้ย ดลมหายใจเข้าออกไยังงี้ไปนี่แหละไม่ว่ายุมันก็ยุเอง้แหละไม่ว่าคมันก็เอง้แหละหยใจเข้ามันก็คองหยใจออกมันก็ยุบไม่ว่ายุงอคลองงอมันก็คลอยุเองแ้แหละนงเหมือนกันเท่านั้นแหละเรามีสติอยู่อย่างนั้นรรู้ตัวว่าในลักษณะอย่างไรเราอยู่อย่างไรความเป็นอยู่ขเป็นอย่างไร เพื่อให้เราเกิปัญญาเองทำอะไรบังเกิดปัญญามันต้องหมดกำหนดอยู่กระทัาวันกับทัคืนมีการปอยมีการวางมีการอนุทนาธรรมะมีการบางครับมีสเดชแก็มีะคุณม้ำต้งสอนเด็กน้อยเหมือนครูสอนเด็กนักเรียนมีประคุณอย่างเียนันก็ครูมีอนาจ มี er ่ระเดียอย่างเดียวเด็กมันเดินไม่ถูกใจเราเหมือนกันถ้าลอยตามชอบใจมันก็ไม่รูเรื่องไม่ขาดสารมันก็ไม่ดูเรื่องมันม่กระทบกระบวนจารการศสอนนักเรียนไม่อื่นใจเอาแต่ประคุณอย่างเดียวมันมันทุกห์ยาเด็กก็ไม่รู้สู้ทำงาน้ม่รั้สู้มันก็ไม่รู้อะไรทั้งหมด กลัวความผิดอืมกลัวทุกอย่างเนี่ยท่านมันกลัวครูสัอย่างเดียวแล้วน่ะอย่างอื่นมันก็กลัวให้ความผิดมันก็กลัวความไม่มีทางไหนมันก็กลัวอืมมันมีกองกลัวมันอายมันจะเกิดเป็นข้อปฏิบัติในตัวของมันนั่นแหละมันเป็นศีลในตัวของมันอย่างนั้นมันก็ต้องรู้จักครูจะต้องรู้จักนักเรียนครูจะดูทูการสอนเด็ก <imen ode> จะมีประเด็๋อย่างเหดียวจะไปไม่ไหวเด็ดจะมีฝักกลอย่างเหดียวจะไปไม่ได้บางครั้งเราก็ใช้กระดูกมันบางบางครั้งเราก็ใช้ฝักกลมันตัวตามสายจิตของตนก็เหมือนกันนเก็จะปฏิันทุกเวลาจะไม่ได้เวลาปล่อยอย่างันเวลาเสนอเสื่อมจิตก็เสนอเสื่อมันเวลาให้โทษมันก็ให้โทษมันอยากให้โทษมันอย่างเดียวอย่ากเสนอเสื่มมันอย่างเดียวอืม ต้องใช้การปฏิบัติอย่างนี้สลับซัดซ้อนกันไปอยู่อย่างนี้น αι, ถ้ามันไม่เดินอืมก็เขี่ยนมันถ้ามันที่ตัวเองมันไว้ให้อยู่ในที่พอดีพอดีของมันที่มันเกิดความตกเชร้าโศกกาปริพฤณ า, าอย่างนี้ก็มาแหงเกิดขึ้น ค, ความตกเศร้าหรือมันเกิดขึ้นแต่จะรู้มันยิ้ ม, ม, ม, ม, ม, มันคอนเฟิร์มเป็นต้น จะให้มันเตืาน้จเลือขอบเกยกไปให้มัน เ, เนตือน อ, อยู่ที่พ อ, อดีทังวันมีอะไรมีอนิจจังของไม่เที่ยงมีตัวขังความเป็นทุกข์มีอนาาัตตาของไม่เจริญไม่เจริญอันนี้เป็นมาตรฐานเป็นหลักที่สาคัญถ้าเราเห็นเรื่อนน ง, งนาาอนิจจังตกขังอนัตตาแล้วก็มันก็เตือนเจ้าของฉะนั้นแหมะดีใจที่อยากจะดีใจเตือนไป ้าดีใจเกินไปมันเสีย้าทุกใจก็นไปมันทุกเกินไปทุกเกินไปมันเกินขอบเขตนี่มันก็เสียเหมือนกันสุขทุกขชอบใจไม่ชอบใจอารมณ์นี้เจะประสบมันอยู่ทุกเวลาเมื่อเราประสบมันทุกเวลาแล้วก็จะเห็นมันอยู่ทุกเวลาเมื่อเห็นมันทุกเวลาแล้วก็ต้องพิจารณามันทุกเวลาทุกเวลาเราไ็เร่งมันทำให้มันมาก คือทำตรงนี้เจ็ดเว้ในมันมากทำในมันมากเต้นในมันมากเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของวันนี้เองไม่ติดอยู่ไกลถ้าหากเราเห็นความเป็นจริงมันแล้วแม่กองขวดตั้งขึ้นมาแล้วก็รู้มันเราเอออันนี้มันถวดตั้งขมาแน่นั่นก็หายไปมันก็บันเทาเฮ้ยสร้อรียาดเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าอันนี้มันก็ไม่แน่มันก็ว่างบันเทาทุกลงไปให้มันอยู่ที่ เนื้อสิ่งทั้งหลายเรานี่จิตของหลามันรู้ถ้าเรารู้สิ่งทั้งหลายเรน า, านี้มันก็เป็นทุกข์ตัวอย่างเราถ้าปฏิบัติแล้วตัวไม่สบายอยจะคิดในบ้านร้องไห้ถ้าเราคิดอย่างนั้นแก็เอออันนี้มันไม่แน่ไม่แน่ไหมคิดทังบ้านแล้วก็สุดปล่อยมันไปซะมันแน่ไหม่ะคิดทั้งบ้านเนี่ยมันก็ไม่แน่นแนม่เป็ น, นอยนี้จากบ้านนี้เนี่ย จากนี้จากบ้านอีกเท่านี้ก็ไม่แน่เหมัอนกันนะเดี๋ยวจะกลับอีกนี่ใจของคนเราเมื่อโตถูงเป็นอย่างนี้อันนี้เราก็ต้องอดทนว่าจะเราหรอกจะพุทธเจ้าเหมือนกันแหละท่านจะทดเป็นพุทธเจ้ามาที่ทีเดียวหรอท่านจะเป็นผู้ตุชนคนน้ำเหมือนกันกับเราอ่ะเป็นผูุ้ชนคนน้ำเหมือนกันกับเราแต่ท่านเป็นผู้มีปัญญา พว่ามันมีมืดมันก็มีสว่างมันมีร้อนมันก็มีเย็นมันมีสุขมันก็มีทุกข์แล้วมันมีเกิดแล้วมันก็มีตายท่านก็คิดไปว่าสิ่งที่ไม่เกิดนั้น มันก็ไม่ตายจะมีหรือไม่เนี่ยานีมีเกิดแล้วก็มีตายมันมีแล้วชิงที่มันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ตายก็คงมีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคู่กันท่านคิดได้่าเนี้ท่านยังในกตรในตรีเดชอะไรอะไรมากมายมีวามเห็นตาเนี้ลองดูเท่านั้ น, น เราทุกวันหนึ่งคีด่เราเยังมีกิเลสอยู่ยังนั้นก็ค้ดว่ายัางนั้นก็จําเป็นแ่าทั้หมดกิเลสกันที่เราตงจะมาปฏิบตัติถ้าพูดย่างนั้นเราทั้งหมดกิเลสกันแล้วจึงจะมาปฏิบตัติแล้วก็ถ้าคิดอย่างนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นนะนี่อันนี้แนี่คือนเราคิดผิดไปอก็ผมยังมีกิเลสอยู่ มีกิเลสอยู่นั่นแหละคือเรียกว่ามันมีปัญหาอยู่เรายังไม่หมดปัญหาเรียกว่าปัญหายังมีอยู่ถ้ามีปัญหามันก็มีเฉลยนี่จึงมีเราคิดว่าปัญหาเรามีอยู่เฉลยไม่มีเช่นจะเป็นนักเรียนเนี่ยเรียนหนังสือไปสอบหนังสือเขาออกปัญหามาเรียกว่าไอ้คนที่โง่ นั่นก็เรียกว่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานั้นแต่ความจริงนั้นปัญหานั้นมันมีเฉลย อ, อยู่ทุกข้อไม่ใช่มีปัญห า, าเปล่าๆไอ้ที่คนไม่มีปัญญาคนนึกว่าไม่มีทางแล้วไม่มีทางจะแก้ปัญหาอย่างแรกก็อันนี้ก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาแท้ที่จริงก็เมื่อมีปัญหาก็ต้องมีเฉลย ปัญหาที่เขาถามเรามาทุกข้อก็ต้องมีเฉลยทุกข้อเป็นแค่ว่าปัญญาเราไม่มีก็นึกว่าเฉลยไม่มีเราแก้ปัญหาไม่ได้อันนี้ก็เพราะเรามีไม่มีปัญญาต่างหากแต่เขาจะมีปัญญาแล้วก็เรียกว่าเขาดูปัญหาแล้วเขาแก้ได้เฉลยต้องเขามีคนมีปัญญาอันนี้ก็มันตางกานันนะก็นึกว่าผมยังมีจิตเดอยู่ก็นึกว่าบทปัญหาแล้ว แยกไม่ได้ตายแล้วอย่างั้นเดะอืเนี่ยมันก็เป็นอยู่แบบนี้เราก็ต้องมาวิจัยต้องมาพิจารณานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคนของท่านสิพระพุทธเจ้าเราท่านคิดยังไนแต่มีร้อนกตต้องมีเย็นมีเย็นแ้วก็มีร้อนมีมืดแล้วก็มีสว่างมีสว่างแล้วก็มีมืดมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายมีตายต้องมีเกิดไอสิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายมีหรือ ไม่เนอคงจะมีเป็นแน่เท่านี้ยเดือดทันยังเยินราหุ่นจินพาอย่งแก่บ้านเลยแล้วทรัพย์สมบัติยังเกินบ้านพอแต่ทันรู้สึกอย่างนี้ ท, ท, าาาาทา่านั้ น, นท่านสมาธิเจรณาดําเนิน ก, า ร, น า, นนการคิจารณาไปเรื่อยๆนึกเห็นว่าในทางครวญนี้มันเป็นที่คัดแคบมากจะมีราบมากจะมียศมาก จะมีสมบัติพัฒถานมากก็ริงหาความสงบไม่ได้ลำบากโลกเป็นที่คับแคบยิ่งเกินยังงั้นออกบันใต้ชาอุปสมบทเป็นพระจึงจะสงควรคน้นคว้าหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ถ้าเราจะจงอยู่ในควาวนี้ จะค้นคั่วหาธรรมะข้อนี้อะไรยากเพราะว่าเป็นของละเอียดสุขุมมากอืท่านก็จึงออกบวชตั้งใจปฏิบัติอืที่ท่านออกปฏิบัตินั้นท่านไม่รักลูกเหลยท่านไม่รักเมียเลยท่านไม่สงสารอะไรอะไรหรืออเลยะก็ ท, ที่ท่านออกไปบวชนั้นเนี่ยท่านไม่สงสารลูกสงสารเมียรักทรัพย์สมบัติทั้งหลาย แกมนุษย์ทางไายเห็นว่าดีออกไปจากครอบครัวคารวะาตัดช่องน้อยจะพรอตัวไปคนเดียวอย่างนี้ในตอนจริงท่านไม่คิดอย่างนั้นอืท่านคิดจะคนอนยางก็ตุวจชนเราท่านคิดไปน้อยท่านจะทำมาเนี่ยท่านทําท่นั้ น, น, นะ น, ทท น, นถ้าเราจะไปคิดอย่างนั้นตบททางในตอมจําเป็นแล้วต้องพิจารณา เช่นว่าเราเกิดมาครั้งแรกมันเป็ยังเล็กเราไม่โตอย่างนี้เมื่อเราโตอย่างนี้เหตุมาจากความเล็กมันถึงโตได้อย่างนี้มันต้องมีเหตุอยนะ่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอไอ้ความดีทั้งหลายนั้นมันก็ความผิดตรต้องทั้งหลายนั้นมันมีโอกาสที่จะต้องทํำได้ทุกคนเรามีสิทธิทุกคนที่จะต้องปฏิบัติจั่งนั้นได้เหมือนกันการทําสตินี้มันก็ ก็เรียกว่าให้ทำจิตให้มันมีผู้รู้เป็นผู้รู้อยู่เสมอมันจะทํางังไงที่จะรู้อยู่ก็มีปัญหากันนะคล้ายๆค่ะเรามีบริเวณหนึ่งขนาดกวางในเาจะสามเมตรอย่างเงี้ยเราจะไปนั่งอยู่ในนั้นนะเราจะเอาเข่าสักตัวใหญ่ๆเอาแบบขังอยู่แลนะ้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นเลยนะมันจะเป็นยังไงจิตเรานะให้มันด้วยเรานั่งอยู่นั่นเนะี่ะ ไอ้ความระแวงระวังของเราก็คืองูเห่านั้นเป็นสารพิษเราจะเสืออยู่ไม่ได้เมื่อเราดูดิีกันได้มันฟ้เนี่ยเอีมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ไม่ยอมจะนอนกันไม่ยอมจะง่วงกันเพราะอะไรเพราะกลัวงูเห่าตัวนั้นเน่ยมันลุยรอบๆเรอาอยู่ถ้าลู่จักอย่างนั้นไอ้ความรู้ของเรามันก็ ชัดเจนขึ้นมาสู้รอบอยู่ในเรื่องทั้งทั้งหลายต่างๆเกิดขึ้นมาอืมเรื่องแก้ปัญหานั้นมันก็มีหลายอย่างแต่ที่สุดของปัญหามันก็มีอืมถ้าเราแก้มันไม่หายแล้วก็แก้ให้มันสุดมุมมันเท่านั้นเกี่ยวมันจําเป็นจะทําไงอืก็หาว่ามันไม่ถึงที่จะต้องตายแล้วต้องแก้ให้มันได้ให้มันดุดไป ทามันต้องที่สุดมันเดินงกับตัดสินให้มันตายเท่าทนั้นเนาะเท่านั้นแหละนี่แก้ที่สุดมันก็ต้องแ ก, อก ninguém, ้อย่างนี้อืเช่นว่ามันไปที่ไหนก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แล้วจะดิ้นรนยังไงก็ไม่ได้แล้วจะเป็นยังไงก็นี้ไม่ได้แล้วก็ตัดชินตายนี่ที่สุดของมันนะนี่นะี่แหละที่สุดของมันเขาปล่อยมันนะว่าเรามันก็ทุงที่สุดมันแล้วไม่มีที่แก้ไขแล้วอย่างนี้มาเราป่วยนะักเข้าโรงพยาบาล ยาก็ช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้เราเป็นคนป่วยเขาก็บอกว่าหมอว่าช่วยเธอไม่ได้แล้วยาก็ช่วยไม่ได้แล้วจะทำยังไงเงินเขาทำเงินเขาทำเขาไหวเงินสุดวิสัยแล้วหมอก็สุดวิสัยใสแล้วยาก็สุดวิสัยแล้วจะทาําไงเราเป็นคนไข้เราจะทำไงเราจะร้องไห้ดิจะทําไ ง, งนี่ ที่ตรงนี้แหละก็ถ้าหากว่าเรามีปัญญาไปต้องร้องไห้มันเลยมันถึงคราวมันแล้วมันถึงสมัยมันแล้วมันถึงที่สุดมันแล้วเหมือนกวงก่อนดินขึ้นบนอากาศมันขึ้นไปขึ้นไปแล้วถึงค่าวมันลงมันก็ถอยลงคุบถึงดินนมันหมดวิสัยแล้วพระพุทเจ้าก็ตัดปล่อยตรงนี้มี่ถึงคราวที่สุดมันแล้วนะอืมที่นี่ก่อนเราจะเป็นไข้เราจะเข้าโรงพยาบาล เราก็ต้องมีความรู้สึกว่าทุกคนเขาจะว่าจะเอามันหายให้มันหายให้หายด้วยเอาไม่ตายเท่า น, นั้นแ่ะกลับให้มันหายเรื่องไม่หายและไม่ตายมันไม่เอาทุกคนนะไม่เอาทุกคนแต่ว่ามันก็ได้อื ม, มันก็ได้อย่างนี้มันอยู่เป็นพื้นตรงมันอย่างเนี้เราก็ต้องคิดว่าถ้าเราเป็นโรคชนิดหนึ่งเอาไปโรงพยาบาลมาเราคนนึกเห็นมันได้มาอื ย่ากแก้ตายก็ไม่มีหมอรักษาไม่ให้ตายก็ไม่มีแต่ ถ, ถึงคราวมันแล้วดังนั้นเราตกรถลงในใจแล้วว่าตายก็เอาไม่ตายก็เอาหายก็เอาไม่หายก็เอานี่ถูกต้องถ้ากว่าเราเอาหายอย่างเดียวเราเอาไม่ตายอย่างอย่างซ้าว่ามันไม่หายเราก็ทุกข์เท่นั้นนี่ที่มันถูกต้องอย่างนี้มันแก้ไม่ได้อันนี้แบบหนึ่งนะแบบหนึ่งเราเป็นใข่มาเราช่งมันเอะสังขารมันจะตายอยู่แล้วล่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะ มันไม่ต้องรักษามันแล้วนะอันนี้ก็ไม่เคยดีเท่าไรนะต้องไปรักษามาันท่านจัดเป็นคนประมาทอยาประมาทในสังขารนี้เมื่อสังขารนี้มีอยู่ถ้าเรามีปัญญาก็ใช้สังขารอันนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเรามากที่สุดให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาติศาสนาดีที่สุดถ้าวชีวิตนี้ไม่มีแล้วเป็นต้นมันกระจกลงแค่นี้อันนี้ในแง่ที่เป็นประโยชน์นี่ ดังนั้นเราก็ต้องรักษาสังขารนี้ไปก่อนอย่างแก้วใบนี้มันจะแตกอยู่แล้วต่อไปมันต้องแตกภาดนะหน้ี่ไม่หยุดทำแตกทําไมมันติแตกเพราะว่ามันมีเทียงบังคับอยู่ไอ้ความมีเทียงบังคับอยู่แล้วมันจะต้องแตกขนาไม่ช้าแต่ต้องเร็วเราจะทํายังไงปฏิบัติต่อแก้วใบนี้เราจะต้องทำยังไงเพราะฉะ้แก้วใบนี้รักษามันก็แตกไปรักษามันก็แตกปล่อยมันเที่ยงแค่ลูก ไม่ตรงเก็บมันให้ดีลักมันจะแตกอยู่แล้วล่ะอย่างนี้มันจะดีไหมถ้าคิดไปในแง่นี้มันก็ไม่เคยดีเพราะเราประมาทกาวแก้ใบนี้มันมีอยู่เราต้องใช้มันนานแต่รักษาไปนานต้องใช้นานแต่ทั้งๆเราที่รู้ว่าแก้ใบนี้มันจะแตกอยู่ข้างหน้าแล้วก็ต้องเก็บมันไว้ให้ดีใช้มันได้กดเซ็จแต่มันสะาดลูกเก็บก็บอกว่าลูกระวังนะแก้ใบนี้จะแตกนะเก็บให้ดีนะลูกนะต้องกําชับไปเรื่อยๆอย่างนี้ ทำไมก็อพาะเห็นวากแก้วใบนี้มั น, นจะแตกเป็นอยู่ไม่ใช่เราลูกเอาทิ้งทีนะเอาทิ้งเถอะมันจะแตกอยู่แล้วละอย่ารักษามันเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนรู้จักธรรมะไม่ใช่คนมีปัญญาเนี่ยจะต้องให้ลูกให้คนใช้ให้ประคับประคองรักษาแก้วใบนี้ถ้วยใบนี้จานใบ น, น, น, น, น, นี้มหม้อใบนี้ไวให้นด้ถ้าหม้อใบนี้ถ้วยใบนี้มีรักษาไว้ดีๆนานๆไปอยู่นานๆได้นนนนใช้ประโยชน์นานไม่จําเป็นตะซื้อ ม, มาบ่อย มันเป็นที่แล้วมันถึงขาวมันแล้วนะมันแตกไปถึงข้ามันจะแตกจริงจก็จะให้มันแตกถึงขาวมันยังไม่แตกก็รักษามันไว้นี่เป็นต้นเรารักษามันก่อนนี่เช่นนี้เราเราเราปฏิบัติตามโลกนีตามสังขารนี้มึงก็รู้อย่างนั้นถ้าถึงที่สุดมมาแล้วก็ไม่มีใครจะรักษาอะไรมันได้เปลี่ยนไปตามสภาพอย่างนี้อันนี้เดียกว่าถ้าเราิดเช่นนี้ความบาด ด้วยความสรุนต่อความผิดทั้งหลายนั้นมีในใจของเราอยู่ก็เป็นเหตุให้จิตใจเราตื่นอยู่เมื่อจิตใจเราตื่นอยู่ก็ได้ว่ามีความระลึกได้เป็นสติในตัวของเราลึกได้อยู่เมื่อระลึกได้สัมปัชัญญาความรู้ตัวมันก็เกิดมาพร้อมกันเมื่อมีสติมีสัมปัชัญญาปัญญาก็วิ่งมาอยู่ในปัจจุบันของอันนี้ควรจะทําอย่างนั้นอันนั้นควรจะทาอย่างนี้ในเมื่อปัจจุบันนี้ออย่างนี้มันก็ช่วยตัวของเราได้อ ช่วยตัวของเราไห้เป็นประโยชน์อั น, นอย่างเราที่จะต้องทำงานทุกอย่างเราต้องมีสติความระลึกได้ต้องปัจจัยความรู้ตัวอยู่เสมอว่าถ้าทำอย่างนี้ลงไปเพราะการกระทำนี้มันเป็นเหตุใช่ไหมการกระทำอย่างนี้ลงไปมันควรไหมควรถูกไหมอะไรไห ม, อมชอบไหมอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นคนหลงนะคนขี้เหล้า